เธอก็ใช้ ย, ย่อยพิซซ่าเธอก็พังเละเทนในรายการจำไม่ได้เหรอเธ <manship> อก็ใช่ ย, ย่อยพิซซ่าเธอก็พังเละเทนในรายการจำไม่ได้เหรอเธอก็ใช่ย่อยพิซซ่าเธยก็พังเลสเทนในรายการจำไม่ได้เหรอ